บุกทูเก้าสิบเจ็ด now that's t คำสันธานสี่คนยุงซีอยขวารเข่าหลับทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู่ li endormigis quando cam la t e l e v i s i o e stis saltita เขายังอยู่ทั้งที่ดึกแล้วลิอังคอราโเรสติสควานคำยำมัลฟรุสเขาไม่มาทั้งที่เรานัดกันแล้วลิเนเวนิสควานคำนิฟิกซิเเรนเดววโทรทัศน์ยังเปิดอยู่ถึงอย่างนั้นเขาก็หลับล ดึกแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่อเรเรานัดกันแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มานาทั้งทางที่เขาไม่มีใบขับขี่ เขาก็ขับรถควันคำ a มถึงแม้ถนนลื่นเขาก็ขับรถเร็วค a ันคำลาโวยเเขาขี่จักรยานทั้งทั้งที่เขาเมาควัคำลีเอบ เขาไม่มีใบขับขี่แล้วยังขับรถทั้งทางที่ถนนลื่นเขาก็ยังขับรถเร็วเขาเมาแต่เขาก็ยังขี่จักรยานอ เธอหางานไม่ได้ถึงแม้ว่าเธอจะจบมหาวิทยาลัยเธอไม่ไปหาหมอถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตามเธอไม่ไปหาหมอถึงแม้ว่าคธอมีอาก h รเบปวดก็ตา เธอซื้อรถถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตาม She on, kam เธอจบมาหาวิทยาลัยแล้วแต่เธอก็หางานไม่ได้ She She เธอมีอาการเจ็บปวดแต่เธอก็ไม่ไปหาหมอ she has ดอลลาร์เอง she ทำเินในวิจิตัสครัตซิสต์ตเธอไม่มีเงินแต่เธอก็ยังซื้อรถ she นห้าวสมอนน she ทำเนอาเจตัสเอาต